วั น, นี้มีคนจีนมาจากเมืองจีนนะมาเข้าคอร์สมาเรียนอยู่ที่วัดหลายวัดวันนี้ตามมาเรียนที่นี่ด้วยคนจีนเขาก็อยากได้ธรรมะเมื่อก่อนเมืองจีนก็มีธรรมะเหมือนกันสถานการณ์เปลี่ยนไปธรรมะมันก็ขาดช่วงไปบ้างเขาอยากได้ ธรรมะคืนต้องลำบากมาเรียนเมืองไทยลำบากตั้งแต่ภาษาแล้วฟังเราต้องแปลดีหลวงพอมีคนจีนรู้ภาษาไทยมาช่วยแปลในหนึ่งถ้าพวกเราไม่รักษาสืบทอดศ า, าสนาไว้นะ วันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานเราอาจจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนมากยากลำบากมากนะว่าจะเรียนข้ามชาติได้อุปสรรคมากมายการเดินทางก็เป็นอุปสรรคนะอาสายิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยใ ห, ให้หลวงพ่อเทศภาษาจีนหลวงพ่อพูดแค่คำว่าเจียอยู่คำเดียว <c ười> คาอื่นเทศไม่เป็นไม่รู้จักคนจีนจขฟังภาษาไทยไม่ได้ ต้ออาศัยแปลงั้นวันหนึ่งพวกเราอาจจะต้องไปเรียนที่ประเทศอื่นถ้าพวกเราไม่รักษาไว้รุ่นลูกหลานเนี่ยจะไม่มีทํามมาไว้ให้เราศึกษาหลวงพ่อพูดมาหลายปีแล้วว่าไม่มีใครรักษาพระพุทธศาสนาให้เราหรอกถ้าเราไม่ลงมือรักษาเองวิธีจะรักษาพระศาสนาเนี่ยต้องศึกษาลงมือปฏิบัติ ให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเมื่อเรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกเนั่นก็เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะต้องถ่ายทอดออกไปให้คนที่เขาสนใจการถ่ายทอดเกามีเงื่อนไขต้องทําด้วยความเมตตาถ้าทําเพื่อหาผลประโยชน์เนี่ยธรรมะจะไม่ดีเลยถ้าเทศอย่างหลวงพ่อนี้นะจะรู้เลยว่า ถ้าศีเราไม่ดีหรือสมาธิไม่ดีอะไรนีนะเจตนาไม่ดีเนะี่ยไม่มีทางที่กระแสรธรรมะมันจะถ่ายทอดออกมาได้นะใจของผู้ฟังอใจของผู้เทศนะต้องสะอาดนะต้องสะอา ด, ดย่น้อยมีศีลมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีใจที่เปิดธรรมะก็จะถ่ายทอด จากคนเทศไปสู่คนฟังถ้าพวกเราเคยฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วฟังหลายๆรอบเนี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งว่าซีดีมันก็แผ่นเดิมประโยคที่หลวงพ่อพูดมันก็ประโยคเดิมแต่ความรู้ความเข้าใจของเราที่ฟังแต่ละคราวเนี่ยไม่เหมือนกันเงินกระแสะของธรรมะที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยยิ่งใจของเราสูงเท่าไหรนะ่นความรู้ความเข้าใจมันก็ยิ่ง แจ่มชัดถูกต้อ ง, งตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะมันไม่เหมือนเรียนวิชาอื่นๆในต่างโลกพูดคำไหนมันก็เป็นคำนั้นแหละเข้าใจแล้วไม่ถูกระผิดไปเลยก็จบแค่นั้นธรรมะเนี่ยฟังธรรมะวันนี้เข้าใจถามว่าเข้าใจถูกไ้ยก็ถูกฟังพิอิกศึกษาพิจิกลงมือปฏิบัติพ ไปได้ยินประโยคเดิมความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมถามว่าเราถูกไหมถูกอีกแต่ถูกคนละชั้นกันถูกคนละระดับกันเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะมันไม่ใช่ถ่ายทอดกันด้วยปากไปสู่หูมันถ่ายทอดด้วยใจกับใจเมือนผู้ถ่ายทอดธรรมะเนี่ยต้องทำด้วยความเมตตาจริงๆถ้าทำโดยแอบแฝงอย่างอื่นนี ธรรมะไม่มีทางถ่ายทอดได้เลยอย่างมากพวกเราก็จะได้ความจำติดตัวไปแต่ ใ, ใจของเราเนี่ยจะไม่ตื่นขึ้นมาจะได้แต่ความจำในพวกเราได้เรียนธรรมะากับหลวงพ่อมานานพอสมควรนะใครรู้สึกบ้างว่าตัวเองเปลี่ยนไปยกมือให้ดูนยซิมีไหมเปลี่ยนเยอะเอางับใหมเอาใหม่ใครรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนเลยมีไหม มีไหมไม่มีเลยเหรอใครรู้สึกว่าเลวกว่าเก่ามีไหมอาจจะมีนะไม่มีเลยเหร อ, อฟังดูแล้วชื่นใจแต่ยังไม่ค่อยเชื่อถือนะต้องดูกันานานๆนะต้องดูกันานานๆอย่างเวลาใครเขาบอกเราว่าเขาบรรลุมรรคผล น, นะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าสาธุอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอท่านบอกอย่าเพิ่องอนุโมทนาอย่าเพิ่งคัดคา้านดูกันานานๆนะค่อยๆสังเกตไป ในพวกเราบอกว่าพวกเรามีความเปลี่ยนแปลงเพราะธรรมะแล้วหลวงพ่อตามดูนานๆหน่อยก่อนจะเชื่อก่อนจะอนุโมทนาให้ไม่งั้นเดี๋ยววันนี้อนุโมทนาแล้วเดือนหน้าต้องขอถอนไม่ใช่นักการเมืองนะพูดแล้วถอนอีกสิ่งที่พวกเราได้ต้องทํานะนอกจากการถือศีลซึ่งเป็นการปรับพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยให้เหมาะสมสําหรับ การพัฒนาจิตใจแลงานพัฒนาจิตใจเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งพัฒนาจิตให้มีพลังมีเร็วมีแรงมีความสดชื่นชุ่มชื่นเพื่อพร้อมที่จะเจริญปัญญาการพัฒนาจิตอย่างที่สองเนี่ยคือพัฒนาจิตให้ฉลาดให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกให้เกิดสมมมาทิฐิขึ้นให้ได้งั้นเรามุ่งไปสองส่วนนะในการพัฒนาจิตใจเนะี่ยพัฒนาจิตให้มีสมาร พัฒนาจิตให้เกิดปัญญานี่เรามีสมาธิมีปัญญาหลวงพ่อก็สอนอยู่เรื่อยๆนะสอนอยู่เนืองๆทำอย่างไรล่ะสมาธิในปัญญามันจะเกิดได้ต้องมีสติถ้าไม่มีสตินะสมาธิที่เกิดเนี่ยจะเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยปัญญาก็ไม่มีปัญญาจะไม่มีเลยถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็สมาธิจะมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติ งั้นพวกเราจะต้องพัฒนาสิ่งแรกเลยก็คือพัฒนาสติขึ้นมาสติเนี่ยหลวงปู่เทศครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะท่านสอนบ อ, อกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเงนะั้นถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยคุณงามความดีอะไรเนี่ยไม่เหลือเลยถ้ามีสติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยมีความเป็นไปได้สติเองก็เป็นอนัตตา เราสั่งให้เกิดไม่ได้จิตก็เป็นอนัตตาสั่งให้มีสติก็ไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดก็ไม่ได้สภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะเรียกว่าสังขตะธรรมสังขารเป็นสิ่งซึ่งไม่เชี่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้สติอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกถึงเราจะไปเขียนไป้ายไว้ตามถนนนะบอกว่าขับรถให้มีสติอะไรอย่าง แค่นั้มสติธรรมดาสติโลกโลกไม่ใช่สติที่พวกเราต้องการถามว่ามีประโยชน์ไหมสติอย่างโลกโลกมีขับรถไม่ตกถนนเดินไม่ตกท่อไม่ไิชนคนอื่นอะไรเงี้ยก็มีประโยชน์แต่ถามว่าเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานไหมยังห่างอยู่สติที่จําเป็นสําหรับการที่จะปฏิบัติยกระดับใจตัวเองไปสู่มรรคผลนิพพานให้เกิดปัญญานะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี้ยก็เป็นสติปัฏฐาน สติปัฏฐานและเป็นสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองนะไม่ใช่ดูกายดูใจคนอื่นด้วยต้อรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่วิธีที่จะฝึกให้เกิดสติปัฏฐานมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจได้ต้องฝึกเอาอยู่ๆไม่เกิดหรือบางทีนะหลวงพ่อเห็นโฆษณานั่งรถมาจากเมืองชนเนี่ยเห็นป้ายใหญ่ๆทําเหมือนหวังดีนะบอกว่า ดื่มสุราทาให้ขาดสติเคยเห็นไหมป้ายแบบนี้แต่ว่าขายสุรานะคนขายสุรานะเนี่ยเขียนไว้ข้างขวดว่าดื่มสุราทําให้ขาดสติดื่มเบียร์ทำให้หมดสมรรถภาพอย่างเงี้ยเขียนไว้นะแต่ว่าขายไม่เลิกหรอกแล้วก็มีคนกินด้วยดื่มสุราทําให้ขาดสติดูแล้วก็จริงนะแต่นั่นเป็นสติทางโลกแต่ถ้าในทางธรรมนะ เธอจะดื่มสุราหรือเธอจะไม่ดื่มสุราเธอเข้าขาดสติทั้งนั้นแหละในโลกนี้หาคนที่มีสติเนี่ยน้อยเต็มทีหาได้ยากมากคนที่มีสติจริงๆเนี่ยนั้นเราต้องฝึกนะของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีนะพวกเราบอกโชคดี้วเกิดสติไม่มีโชคดีไม่มีบังเอิญไม่มีนะฟลุกไม่มีมีแต่ทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งสิ้น ทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ทําเหตุของสติก็มีสตินะไปทําเหตุให้ขาสติมันก็ขาสตินั่แหลเหตุที่จะทําให้เรามีสตินะัก็คือการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นเพราะสติที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือสติปัฏฐานสติรู้รูปรู้นามสติจะระลึกรู้รูป ร, รู้นามได้นะจิตเนี่ยจะต้องจําสภาวะของรูปธรรมนามธรรมได้แม่นนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยพวกเราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง อย่หวังฟลุกนะว่ามานั่งฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็ปิ๊งบตัตุเหมือนคนสมัยพุทธกาลมาฟังทมนิดเดียวเป็นพระอรหันต์ก็มีนะของเราฟังมานานแล้วไม่เป็นสักทีสโสดายังไม่ค่อยจะได้เลยบารมีมันไม่เท่ากันบารมีไม่เท่ากันท่านเหล่านั้นท่านอบรมสะสมมาข้ามพพข้ามชาติมานับไม่ท้ว น, วนะบางองค์นะสะสมมาเป็นแสนแสนกลับ ได้เปลีย่ยนพรเดตักข้าอะไรขึ้นมาเก่งกล้าสามารถเดีย๋ยวพวกเราบารมีมันน้อยะสันนิฐานไว้ก่อนว่าบารมีน้อยถ้าบารมีมากคงไม่มาเกิดตรงนี้แล้วล่ะตรงนี้น่าเกิดสี่ไหนลนะ่ะนี่นเราต้องฝึกอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกสติทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งจะรู้ไปก็ได้จะรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้จะดู จิตดูใจตัวเองก็ได้หาดดูไปเพื่อให้จิตเนี่ยมันรู้จักสภาวะธรรมนะแล้วก็เห็นสภาวะธรรมบ่อยๆจนมันจำสภาวะธรรมได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองมันก็เหมือนเรารู้จักคนสักคนหนึ่งนะอย่างญาติเราบางคนเนี่ยี่สิบปีสามสิบปีไม่เคยเจอกันเลยถึงเห็นหน้ากันก็ระลึกไม่ได้นะจำไม่ได้ไม่รู้ใครเหมือนคนไม่รู้จัก อะอย่างคนที่เราเห็นทุกวันทุกวันพอเห็นปุ๊บไม่ต้องได้เห็นหน้านะได้ยินเสียงเดินเรายังจำได้เลยเคยได้ยินเสียงคนเดินแล้วจำได้บ้างไหมเคยเจอไหมเพราะอะไรเพราะได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยหรือได้ยินเสียงแกลแอมกระไอเนี่ยรู้เลยว่าใครเพราะเราได้ยินบ่อยการที่จะให้จิตจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อย เราต้องมาดูตัวเองว่าเราจะรู้จักสภาวธรรมอะไรได้รูปธรรมหรือนามธรรมจะเหมาะกับเรานะสังเกตตัวเองไม่ต้องไปถามกระดึนนะรูปธรรมอะไรที่เหมาะกับเรานะหรือนามธรรมอะไรที่เหมาะกับเราเราก็ต้องรูเอาอย่างบางคนถนัดที่จะรู้รูปธรรมนะรูปธรรมก็มีให้เลือกหลายอย่างเช่นรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึก มีสติอยู่กับการหายใจเรียกว่าอนาปนาสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจำสภาวะของการที่หายใจออกหายใจเข้าได้แม่นพอจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราหลงๆลงอยู่เผลอเผลออยู่นะเราเกิดเปลี่ยนจังหวะการหายใจอย่างเวลากิเลสเกิดเนี่ยการหายใจเปลี่ยนรู้สึกหม เวลาโทสะเกิดเนี่ยหายใจช้าหรือเร็วเวลาราคาเกิดอ่ะช้าหรือเร็วไม่แน่นะถ้าราคาแบบเนียนเนียนก็หมยหายใจสบายนะถ้าราคารุนแรงประเภทบ้ากรรมเลยเนาะหายใจแรงนะโทสะเนี่ยส่วนมากรู้ร้อนแรงอเวลาใจลอยอ่ะไม่รู้ไม่รู้การหายใจนะถ้ารู้อยู่ก็ไม่ใจลอยเนะงั้นเราสังเกตไปได้อย่างเราเคย หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนระาพอจังหวะการหายใจมันเปลี่ยนหรือพอเราลืมการหายใจนะแล้วมันเกิดการหายใจขึ้นมาเนะี่ยสติจะเกิดขึ้นเองมันจะระลึกได้ว่ารูปเนี้ยหายใจอยู่นะร่างกายนี้หายใจอยู่เนี่ยต้องฝึกของฟรีไม่มีต้องฝึกนะค่อยๆฝึกของเราไปหรือไม่ถนัดจะดูกายดูเวทนาก็ได้นะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ หรือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าทางกายเนะี่ยมีความสุขกับความทุกข์ถ้าทางใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาที่หลวงพ่อแนะนําให้ดูนะจะอาจจะต่างกับบางสํานักบางสำนักจะสอนให้ดูเวทนาทางกายหลวงพ่อว่าเวทนาทางกายมันยุ่งเพราะเดี๋ยวมันเกิดที่หัวเดี๋ยวมันก็เกิดที่เท้าใช่ไมันย้ายที่ไปเรื่อยๆมันดูยากแล้วบางทีมันเกิดหลายหอย่างพร้อมๆกัน ตรงนี้ก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บไหยเนี่ยนะมันงงเหมือนกันว่าจะดูตรงไหนดีมีเวทนาที่ไม่ดิดดิ้นนะดูง่ายเลยคือเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจเนี่ยมันเกิดอยู่ที่เดียวคือที่ใจนะไม่เหมือนเวทนาทางกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเกิดได้ทุกที่เวทนาทางใจเกิดที่ใจที่เดียวพวกเราสามารถรู้จักเวทนาทางใจอยู่แล้วนะความสุขเราก็รู้จักความสุขใจ ความทุกข์ใจเราก็รู้จักอยู่แล้วหรือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอย่างขณะเนี้ตอบหลวงพ่อได้ใช่ไหมว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆใครไม่รู้ว่าตัวเองสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆขณะเนี้ยมีไหมยกมือนะถ้าเรียนไม่ทันเขาก็าจะได้เพิ่มเติมให้ถือว่ารู้แล้วนะเพราะฉั้นต่อไป น, นี้จะมาอ้างว่าปฏิบัติไม่เป็นไม่ได้แล้วนะต่อไป น, นี้นะเวลาใจมีความสุขให้รู้ ความสุขหายไปก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ความเฉยๆหายไปก็รู้เวลาความสุขหายไปนั้นมันอาจจะเกิดความทุกข์หรือความเฉยๆก็ได้หรือเกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาก็ได้ทุกซ้อนๆไปแต่ไม่คนละตัวกันเวลาความสุขเกิดเที่ยวเหมือนกันพอความสุขเกิดแล้วดับไปนะอาจจะเกิดความสุขขึ้นมาใหม่ก็ได้เกิดความทุกข์ก็ได้เกิดความเฉยๆก็ได้เราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้ มีผัสสะที่พออกพอใจความสุขก็เกิดขึ้นมีผัสสะที่ไม่ชอบอกชอบใจนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมีผัสสะแล้วก็จับไม่ได้สภาวะนี้นะความหลงเองก็เกิดขึ้นโมหะก็ครอบไปฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ถูกนี่นเราค่อยๆสังเกตใจของเราไปเรื่อยมีความสุขเราก็รู้มีความทุกข์เราก็รู้เฉยๆเราก็รู้ไม่ใช่รู้เพื่อแทรกแสงไม่ใช่รู้เพื่อห้ามไม่ให้มีความทุกข์ ไม่ใช่รู้เพื่อว่าต้องมีความสุขตลอดเวลาแล้วนะค่อยๆดูอย่างที่เขาเป็นไปต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นสติจ ะ, ะระลึกได้เองเกิดรู้ตัวขึ้นมาเลยว่าเว้ยมันสุขขึ้นมาละเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันก็สติเกิดได้เองะระลึกขึ้นได้ว่าถูกแล้วหรือว่าใจเฉยๆสติะระลึกได้แตนะว่าเฉยๆต้องเฉยๆเนี่ยะระลึกยากนะสุขทุกข์อย่างง่ายกว่าระหว่างสุขกับทุกข์อะไรดูง่ายกว่ากัน ตอบได้ไหมสุขทุกข์ทุกดูง่ายนะดูง่ายเพราะเราเกลียดมันสุขเราเพลินนะมัเนเพลินเลินไม่ค่อยดูไม่ยอมดูเดี๋ยวโมหะเอาไปกินดูไม่รู้เรื่องเวลาความทุกข์เกิดเนี่ยดูง่ายๆและันะ้นะต่อไปนี้นะถ้าเราจะใช้เวทน า, นาทุกปัฏฐานําให้เกิดสตนะิเราคอยรู้ทันจิตนะใจมีความสุขเรารู้ความสุขหายไปเรารู้ ใจิตใจมีความทุกข์เราก็รู้ความทุกข์หายไปเราก็รู้นะใจิตใจเฉยๆเราก็รู้ความเฉยๆหายไปเราก็รู้เนีย่ยหัดรู้ได้ ไ, ดไดแล้วต่อไปพอความสุขทุกข์ความเฉยๆเกิดเนี่ยสติเกิดเองนะหรือถ้ามันยังไม่ถนัดที่จะดูกายนะไม่ถนัดดูเวทนาดูจิตก็ได้ดูกายไม่ได้มีแต่ลมหายใจนะดูกายก็มีตั้งหลายหมวดเรียกหลายบับพันะที่ดูง่ายๆก็มีอย่างอิริยาบถสเีย นะยืนรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวนะหรือสัมผัสชัญญะแบบพระเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกอย่านงะเนี้ยเรานั่งอยู่นะแต่มันมีอิริยาบถย่อยขณะนี้นั่งอยู่นะอิริยาบถใจเป็นอิริยาบถนั่งแต่มีอิริยาบถ ย, ย่ยอยย่อยนั่งนี้มั่งนั่งนี้มั่งนะที่น่ากเกลียดที่สุดในห้องนี้นั่งท่าไหนรู้ไหมนั่งท่านี้นะ่นากเกลียดนะ อุซาเรียกแหกที่ตาตื่นจะมาฟังเทศแล้วมานั่งหลับด้ยนะหลับอยู่ที่บ้านดีกว่าเนี่ยอย่างเราอิริยาบถอย่างนี้เรียกว่าอิริยาบถ ย, ย่อยอิริยาบถใหญ่เนี่ยยังนั่งอยู่อิริยาบถย่อยเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็นั่งพัดะบางคนก็เกาโน่นเกานี่นะเพราะเราก็เผ่าพันธุ์เดียวกับลิงนั่นแหละะอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกไม่เหมือนพวกเทพพวกพลมนะพวกเทพพวกพลมพวกมารเนี่ย เรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยกว่าพวกเรามากเลยนะอย่างมารเนี่ยค ร, ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเวลาเข้ามาฟังเทศนะเรียบร้อยนะนั่งฟังนี่ไม่กระดิกเลยทำไมต้องกระดิกด้วยร่างกายเขาไม่มีเจ็บปวดอย่างเรานี่ร่างกายเรามันไม่เอาไหนมันเจ็บปวดนู่นนี่ตลอดเวลานะตอนนั้นท่านเล่าให้ฟังหลว่ก็ฟังไปอย่างนั้นนะ่หละเราก็ไม่ได้อยากเจอหรอก นะถ้าดูกายนะที่ง่ายๆเลยเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้เห็นอิริยาบดย่อยๆก็ได้ยิ้มเนี่ยอิรยาบดย่อยนะตัวเรายังนั่งอยู่ในหน้ามันยิ้มเนะี่ยคอยรู้สึกไปนะแล้วต่อไปถ้ารู้สึกไดนะ้แล้วพอร่างกายขยับนิดเดียวนะ่ะสติเกิดเองเลยเราลึกขึ้นได้นะเราลึกขึ้นได้ถึงรูปที่กําลังเคลื่อนไหวหรือรูปที่กำลังหยุดนิ่งเนี่ย รูปที่กําลังหายใจรูปที่กําลังยืนเดินนั่งนอนเราเล่นได้เองนะถ้าดูเวทนาแนะนําให้ดูต่างใจเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็เฉยหมุนอยู่างเงี้ยโดยจนชานาญแล้วสติเกิดเองถ้าจะดูจิตนยไม่ใช่ดูจิตตรงๆนะบางคนบอกดูจิตดูจิตแล้ไม่เข้าใจคําว่าดูจิตจิตมันเป็นผู้ดูนะอยู่ๆเราไปดูจิตเนี่ยดูไม่ได้ดูจิตตรงๆไม่ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่าง จิตไม่มีรูปร่างเลยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยลองนึกถึงคําว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์นึกออกไหมแค่นึกก็งงแล้วละ่ะธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นตัวมันไม่มีรูปร่างไปมารวดเร็วไม่มีร่องรอยเกิดดับรวดเร็วนะจนเราไม่เห็นว่ามันเกิดดับฉ น, น, น, นั้นเกิดดับเร็วมากอย่างไฟฟ้าเนี่ยวิลาทีเกิดดับหลายสิบครั้งจนเราไม่รู้สึกว่ามันเกิดดับจิตนี่เกิดดับเร็วกว่านั้นอีก มันเลยรู้สึกว่ามันคงที่อยู่ๆเราจะไปดูจิตตรงๆเนี่ยไม่เห็นเราจะต้องดูผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนะเราจะดูผ่านเจตสิกเช่นดูผ่านความสุขทุกข์ก็ได้จิตที่สุขมันก็แบบหนึ่งจิตที่ทุกข์มันก็แบบหนึ่งนะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับนะแต่นี้ท่านตัดไปอยู่ในส่วนของเวทนานุปสนาะเป็นเรื่องสุขทุกข์ แต่ถ้าจะดูจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านดูที่กุศลหรืออกุศลนะเฉะนั้นพวกเราคนไหนขี้โลภนะจิตโลภขึ้นมาเรารู้จิตหายโลภเรารูนะ้คนไหนขี้โกรธนะจิตโกรธก็รู้ว่าโกรธนะจิตหายโกรธแล้วเขรู้ว่าหายเนี่ยดูไปคู่คู่ไปหรือจิตเผลอไปจิตรู้สึกตัวก็เป็นคู่ ค, ค, คู่นะจิตฟุ้งซ่านกับจิตโทถทูก็ เ, เป็นคู่คู่กันะ คนไหนมีตัวไหนมากนะก็เอาตัวนั้นแหละเป็นตัวหลักตัวอื่นเราเป็นตัวของแถมคนไหนขี้โลคเราก็เห็นเดี๋ยวใจก็อยากเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีอยู่แค่นี้จนจิตมันจําสภาวะความอยากได้แม่นพออยากปุ๊บมันจะรู้ปั๊บสติจะเกิดเองเลยนี่ยเป็นการฝึกให้เกิดสติคนไหนขี้โกรธเราก็ดูเดี๋ยวว่าโกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายจิตจําสภาวะของความโกรธได้แม่น วความโกรธเกิดขึ้นนิดเดียวแค่ขัดใจเล็กๆนะสติก็เกิดแล้วรู้ขึ้นมาแล้วอ้าความโกรธมันเกิดอีกแล้วไม่ใช่โกรธไปสามวันสาคืนแล้วเพิ่งนึกได้นะนั้นสติมันไม่ยอมเกิดอยู่ที่ฝึกถ้าฝึกสม่ำเสมอ น, นะไม่นานสติก็เกิดขึ้นมาสติมันเป็นตัวรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจเราทํำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ เพราะการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราลืมกายเราลืมใจมันก็เรียนไม่ได้คล้ายๆหาห้องเรียนไม่เจอะงั้นเราต้องฝึกนะให้มีสตินะถ้าได้สติแล้วศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นไม่ยากอะไรอยาจะให้เกิดศีลเนี่ยอาศัยสติรู้กิเลสไว้กิเลสเนี่ยเป็นศัตรูเลยนะตัวร้ายตัวหยาบแล้วก็ถ้ากิเลสหยาบหยาบเนี่ยปกติสู้ด้วยศีล วิธีการที่จะทําให้เกิดศีลแล้วเอาชนะกิเลสหยาบๆเนี่ยอาศัยสติแล้วจะชนะง่ายนะเวลากิเลสเกิดเนี่ยให้เรามีสติรู้ทันราคะเกิดให้เรารู้โทสะเกิดให้เรารู้ความหลงเกิดขึ้นมาให้เรารู้ความฟุ้งซ่านปวดหเกิดให้เรารู้พอ ร, รู้บ่อยๆพนอะ ร, รู้ไปบ่อยๆต่อไปมันจะเดินปัญญาได้เลยนะมันจะเดินปัญญาได้เลยมันจะเห็นว่า ทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างมาเองไปเองเนีแล้วก็ศีลมันเกิดอัตโนมัตินะเพราะว่ากิเลสเนี่ยครอบงําจิตไม่ได้เพากิเลสครอบงําจิตไม่ได้นะคนจะไม่ทําผิดศีลคนทําผิดศีลได้เพราะถูกกิเลสครอบงําใช่ไหมตอนที่เราทําผิดศีลเนี่ยถูกกิเลสครอบงํำไหมตอนที่กําลังพูดเพ้อเจ้อเนี่ยจิตเป็นกุศลเลย น, น, นะกุศลนกุศลนะความเพ้อเจ้อครอบงําจิตพูดไปเรื่อยๆเลย ไม่ควรจะพูดก็พูดควรจะส่งกันบ้านสั้นๆก็ส่งยาวอย่างนี้นะมีหลายประเภทบางคนพูดนะโอ้ยาวมากเลยฟังแล้วเวียนหัวนะถ้าเธอไม่พูดนะจะรู้เรื่องเยอะกว่านี้อีกนะถ้าถูกกิเลสครอบงำแล้วถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสนะศีลมันมาเองมันรักษาง่ายศีลอย่างนี้เขาเรียกว่าอินเซียสังวรศีลนะอินเซียสังวรศีลเป็นศีลที่ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นีกระทบอารมณ์แ ล, มลมแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรามีสติรู้ทันโลกกลดลงอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตใจจะเป็นปกติจิตใจจะเป็นปกติจิตใจจะเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่าจิตใจมันมีศีลนะไม่ใช่ศี 5, 8, ลหศีล8ศีล227ร้อยบอะไรหรอกอันนั้นเป็นเรียกปฏิโมกศีลศีลเป็นข้อข้อศีลที่พวกเรานักปฏิบัติต้องใช้นะอินทรีย ส, สังวรศีลใช้ให้มาก กาฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วกิเลสเกิดมีสติรู้ตันเข้าไปนะแล้วถ้าจะให้เกิดสมาธิอะทํำยังไงศัตรูของสมาธิคือนิวร์รู้จักนิวรไหมมีห้าตัวนะกรรมมายฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะปฏิคะความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะปวดทพะคือสิ่งที่มากระทบกระทบร่างกายเราแล้วนะละอะไรอีก อุทจจะกุขุจจความฟุ้งซ่านความรับการใจนะแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยถีนมิถะความเสื่อมซึมสนะิ่ง เ, เ, เ, เ, ลงนะเหาา oh a, เเลาานะ่านี้เป็นกิเลสระดับกลางไม่เหมือนราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสอย่างหยาบนิวรา์นี่เป็นกิเลสอย่างปรางหัวโจกของมันจริงๆนะคือความฟุ้งซ่านถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่รักถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่เกลียดนะถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่สงสัย ถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่หดหูนะเพราะฉะนั้ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยตัวแสบที่สุดเลยเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านได้หกช่องทางนะฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูหกช่องทางมันเหลื่อยเกินไปนะเอามันช่องเดียวก็พอแล้วนะนะไม่ใช่ช่องหนึ่งช่องสองช่องสี่ช่องเจ็ดเลยนะเอาช่องเดียวมีช่องใจจิตจะหนีไปทํางานทางใจเนี่ยส่วนใหญ่คือหนีไปคิด รู้จักหนีคิดไหมหนี่คิดรักคิดขโมยคิดแอบไปคิดนะแล้วแต่ครูบาอาจารย์บางองค์เรียกไม่เหมือนกันบางองค์ท่านเรียกลักคิดลักลอลิงนะไม่ใช่ลักรักลอลเลือนลอลิงแอบคิดขโมยคิดเนี่ยใจเนี่ยแอบไปคิดได้ทั้งวันถ้าเราคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดเนี่ยพอเรามีสติรู้ทันใจที่ไหลไปคิดนะใจที่ไหลไปคิดจะหยุดทันทีเลยเพราะมันเป็นกิเลส มันสู้สติไม่ได้ทันทีที่เกิดสตินะจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติเลยสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอันตโนมัตินะบางคนบอกว่าทําสมาธิไม่เคยได้เลยนะก่อนที่จะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าทําได้ก็คือเป็นวิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลื ม, ลมเนื้อลืมตัวไปแต่ให้สมาธิที่ดีรู้เนื้อรู้ตัวเลยเนี่ยทําไม่เคยได้เลยมาฟังหลวงพ่อเทศน์ไปเรื่อยๆนะละหัดมีสติฝึกสติไปเรื่อยๆนะ ทุกวันนี้เรารู้สึกไหมสมาธิพวกเราดีขึ้นใครรู้สึกว่าสมาธิดีขึ้นมีไหมยกมือบางคนมีเร็วกว่าเก่าไหมนี่คนจีนเขายังยกเลยแต่เขาจะยกช้าหน่อยเขาต้องรอฟังคนแปล ก, ก่อนนะถ้าเราสังเกตให้ดีนะถ้าเวลาหลวงพ่อพูดอะไรขำๆเนะี่ยคนไทยจะหัวเราะก่อนพอเราหัวเราะเสร็จนะคนจีนจะหัวเราะตามพอเขาเพิ่งแปลเสร็จนะ แะแม่เหมือนกันเราเลยได้แยกกลุ่มได้ตอนนี้กลุ่มคนจีนนั่งตรงนี้เองเพราะหัวล้อช้าเห็นไหมเพิ่งจะหัวล้อเห็นไมรู้สึกไหมว่าทันทีที่พวกเราหัวล้อเนี่ยความรู้สึกของเราคนจีนกลุ่มนี้ต่างออกไปจากเดิมรู้สึกบ้างัหมใครดูออกม้างมันมีความรู้สึกที่เป็นมิดเกิดขึ้นรู้สึกไหม ทีแรกก็ต่างคนต่างอยู่ห่างเหิดนนะพอเขาหัวลอ้อเราทีเราหัวลอ้อเขาอีกทีนะเอรู้สึกเป็นพวกเดียวกันขึ้นมาแนละ้วคนจีนเลยไม่กล้าหัวเราครับนี้เห็นไหม <c oughs> เหมือนเสียงสะท้อนใช่ไอมนั่งฟังอยู่ที่วัดนะเข้าไปฟังเทศที่วัดอนะ่ะคนไทยหัวลอ้อคนจีนหัวเราแล้วคนไทยก็หัวลอ้อคนจีนนะแล้วคนจีนก็หัวลอ้อคนไทยะ มันเหมือนเอ็โค่นะสะท้อนไปสะท้อนมาน่าฟังต่อถ้าเรามีสติรู้ทันนิมนต์คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็คือจิตไหลไปคิดนะถ้ารู้นะสมาธิจะเกิดแล้วสมาธิจะไม่ใช่ของยากอีกต่อไปแล้วถ้เรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะไม่ใช่ห้ามจิตฟุ้งซ่านนะถ้าห้ามจิตฟุ้งซ่านเนี่ยทําไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ เราแค่รู้ทันว่าเขาฟุง้งซ่านเขาก็เลิกฟุง้งซ่านไปเองสมาธิจะเกิดอัตโนมัติคราวนี้สติเนี่ยเราจะพัฒนาไปสู่ปัญญานะตัวนี้สําคัญที่สุดเลยนะที่ฝึกกันมาแทบเป็นแทบตายเนะี่ยเพื่อจะฝึกให้เกิดปัญญานี่เองแต่เดิมเราอาจจะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่านงะ น, นี้ได้สตนะินี่เราจะพัฒนาขึ้นมาเราจะมอง ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจตัวนี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญานะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาจะเกิดวิปัสสนาปัญญาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังหมายถึงว่าของเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังหมายถึงว่าของที่มีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้มันไม่มีอนัตตาหมายความว่า ของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่สั่งเนะนี่ยเห็นมุมใดมุมหนึ่งในไตรลักษณ์ก็ใช้ได้ล้เป็นวิปัสสนาทั้งนั้นแหลนะนั่นแทนที่เราจะรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอันนั้นเป็นการฝึกสตินะแล้วค่อยๆสังเกตร่างกายที่หายใจออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเห็นไมตอนเริ่นะมมี2 ส, ส่วนแลมีสิ่งที่ถูกรู้คือร่างกายมีจิตที่เป็นคนรู้ เรียกว่าการแยกรูปนามก่อนที่จะเจริญวิปั ส, สนาได้เนี่ยเราต้องมีปัญญาขั้นต้นเสียก่อนปัญญาขั้นต้นนะชื่อว่านามรูปปริเฉทยานปริเชตจะแยกเป็นส่วนส่วนได้นะปริเฉตยานนามรูปปริเฉตยานแยกรูปกับนามออกจากกันได้อย่างขณะเนี้ยรูปเรานั่งอยู่รู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างว่ากําลังนั่งอยู่ยกมือหน่อยซิมีไหมกําลังนั่งอยู่นี ถ้าจะมีสตินะนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่มีสติถ้าจะพัฒนาไปสู่ปัญญาสังเกตไหมตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูใครเห็นมั่งลองยิ้มหวานซิยิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายยิ้มรู้สึกไหมร่างกายไปยักหน้ารู้สึกไหมแค่แค่รู้สึกแค่นี้นะไม่ต้องดัดจิตยิ้มไปยักหน้า อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้มันยามากไปเนี่ยหันซ้ายหันขวารู้สึกรู้สึกนะที่เป็นธรรมชาติธรรมดานเองจะขยับตัวจะเดินทุกข้าวที่เดินมีความรู้สึกตัวได้สติทุกข้าวที่เดินอยู่เห็นเลยว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันเดินอยู่มีจิตเป็นคนไปเห็นมันเข้าเนี่ยเราจเจริญปัญญานะเราเริ่มถอดถอนความเห็นผิดนะว่ารูปนามนี้เป็นตัวเราของเรา ไม่ว่าเราเริ่มเดินปัญญางั้นเราค่อยๆสังเกตไปมันจะมีสภาวะสองอย่างเกิดขึ้นอันนึงก็คือมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอันที่สองมีอารมณ์หรือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอารมณ์นั้นอาจจะเป็นกายก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นอารมณ์มีจิตเป็นคนไปรู้ะอย่างนี้ใช้ได้ล้เริ่มแยกรูปนามได้ละหรือบางคนเห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นะ จิตเป็นคนไปรู้รู้เลยว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกันอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกรูปนามได้นะแยกออกจากกันได้แล้วแยกขันได้หรือเวลารอบโกรดลงเกิดเนี่ยเราเห็นเลยรอบโกรดลงมันถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนะใครทําตรงนี้ได้บ้างเห็นความโกรธกับจิตเป็นคนละอันลองยกมือซิมีไหมถ้าไม่มีในล้าหลังมากนะมาถึงวันนี้เขาเริ่มเดินวิปัสสนาะกันละ ตรงนี้แค่แยกรูปน้ำที่หลวงพ่อเรียกว่าแยกธาตุแยกขันนะครูบาอาจารย์ท่านก็เรียกแต่ละองค์เรียกไม่เหมือนกันนะถ้าเรียกตามปริยัติจริงๆคือแยกรูปน้ำแต่รูปเนี่ยแยกออกไปได้อีกรูปก็แยกออกเป็นธาตุสี่ดินน้ําไฟลมน้ำก็แยกได้อีกสี่เป็นขันสี่เป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันเนี่ยบางทีถ้านเลยเรียกแยกรูปแยกน้ำ แยกทาตแยกขันก็แล้วแต่สำนวนท่านอ่ะความจริงก็คือการแตกกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเนหะ็นตัวเราแตกออกเป็นส่วนๆเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูกุศลนกุศลอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูจิตเองเขาทำงานเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดมันทำงานของมันได้เองแล้วใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูจิต นี่คจิตเห็นจิตนะจิตเห็นจิตจิตดวงก่อนทํางานเช่นจิตดวงก่อนโกรธจิตดวงนี้รู้ว่าตะกิโกรธจิตดวงก่อนโลภจิตดวงนี้รู้ว่าตะกีโลภนะจะรู้สึกอย่างนี้มันดูตามหลังไปเรื่อยๆนี่คจิตเห็นจิตนะจิตเห็นจิตไม่ใช่ไปนั่งจ้องจิตอยู่เฉยๆนะถ้าไปจ้องจิตจะไม่เจอจิตหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะบอกใช้จิตแสวงหาจิตนะอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอ เราไม่ต้องไปเที่ยวหานะว่าจิตอยู่ที่ไหนถ้าคิดจะหาในหาไม่เจอเลยเนะนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปนะกายก็เป็นส่วนหนึง่งความสุขทุกข์ก็เป็นส่วนหนึง่งกิเลสก็เป็นส่วนหนึง่งจิตที่เป็นคนรู้อารมณ์ก็เป็นอีกส่วนหนึง่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นตกอยู่ใต้อนัตตาสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้อย่างร่างกายเนี่ยตัวที่แสดง ใจรักชัดนะในร่างกายเนี่ยก็คือตัวทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้จริงอะสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้นะสั่งไม่ได้จริงสั่งได้เล็กๆน้อยๆสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนพอจะสั่งได้แต่สั่งได้ชั่วคราวนะตอนนอนหลับนะจิตตื่นขึ้นมาจิตสั่งให้ร่างกายกระตุกกระดิกเนี่ยกระตุกกระดิกไม่ได้มันไม่ฟังคําสั่งนะ แ้วมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราจริงอ่ะส่วนจิตใจเนี่ยมันจะแสดงอนิจจังได้ง่ายเพราะจิตใจนี่เปลี่ยนเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะวุ่นวายตลอดวันมันแสดงอนิจจังแล้วมันแสดงอนัตตาในมุมที่ว่ามันเป็นไปเองโกรธมันโกรธได้เองโลภมันโลภได้เองนะหลงมันหลงได้เองดีมันก็ดีเองสุขเองทุกข์เองสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยเราเรียดลงไป เรารู้ตัวเรามีสติระลึกรู้กายเราก็เห็นไตรลักษณ์ของกายมีสติระลึกรู้จิตใจเราก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจเมื่อจิตมีแต่ของไม่เที่ยงจิตมีแต่ของมาคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าปัญญาแก่รอบแล้วนี่อริยมรรคจะเกิดขึ้นจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางจิตทักวันนี้ไม่เป็นกลางหรอกพอกระทบอารมณ์ที่ดีก็พอใจกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบนะก็ไม่พอใจ พอใจก็กระเพื่อมรู้สึกไม้มเวลาพอใจอะไรสักอย่างหนึ่งจิตจะฟูฟูใช่ไหมเวลาเจออะไรไม่พอใจจิตแฟบถ้าเจอของไม่พอใจมากๆนี่จิตเดือดปุ๊บปุ๊บป๊บบนะมันไม่แฟบเฉยอย่างเดียวแล้วนะมันเดือดร่าเร่าเลยนะเนี่ยมั น, ม, นมันกระทบมารมณ์น้ำกระแ ป, ปรปวนไปเรื่อยค่อยๆเรียนไปค่อยๆดูของจริงไปนะันไม่ใช่ว่าต้องดีต้องสุขต้องสงบเพรดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงเอาเป็นสาระอะไรไม่ได้ ดูของจริงรูปนี้มีแต่ของเป็นทุกข์นะรูปนี้มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุจิตใจนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราดูไปดูไปมันถอนความเห็นผิด ว, ว่ามีตัวเราได้ใจเข้าสู่ว่าเป็นกลางนะเพราะมันเริ่มฉลาดแล้วมันเห็นว่าสุขก็ชั่วรคราวทุกข์ก็ชั่วรคราวดีก็ชั่วรคราวชั่วก็ชั่วรคราวยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วรคราวหายใจออกหายใจเข้าก็ชั่วคราวหมดเลยใจเป็นกลางขึ้นมานะ เข้าสู่ความเป็นกลางเพราะมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างเป็นของโชคราวรู้ว่าทุกอย่างนะั้นไม่ใช่สาระแก่นสารบังคับไม่ได้ต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่ฟูนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่แฟบไม่ปลุงต่อรู้แล้วจบลงที่รู้เลยสักว่ารู้ว่าเห็นได้จริงจิตมันมีอุเบกขาจิต ท, ที่มีอุเบกขานะมันจะไม่ดิน้นนะพอ บ, บุญบา ร, รมีเรามากพอเนี่ยจิตจะเข้าฌานของตัวเองนะเข้าฌานเองโดยที่เราไม่ได้เจตนานจะเข้าฌาน มันรวมสงบเข้าสมาธิเองหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลที่จริงไม่ได้ถามหรอกท่านบอกก่อนนะอย่างคนเขาดูจิตอยู่เนี่ยดูจิตอยู่เฉยๆจิตรวมฟุ๊บลงไปนะโลกธาตุดับไปว่างเปล่าอะไรเงี้ยหลวงปู่บอกว่าเนี่ยจิตเข้าฌานที่แปดน ะ, ะก็จะเจ้าตัวเขาก็สงสัยนะว่าเนี่ยผมดูจิตอยู่นะผมไม่ได้เข้าฌานแล้วมันเข้าฌานได้ยังไงหลวงปู่บอกว่าดูจิตเนี่ยได้ฌานอัตโนมัตินะ ดูจิตเนะี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติเพราะใจไม่ฟูใจไม่แฟบนะใจเสถียรขึ้นมานะใจตั้งมั่นขึ้นมาจิตรวมเองนะถ้าบารมีพอเนี่ยจิตรวมแล้วจิตจะเดินปัญญาอยู่ในฌานะเดินนิดหน่อยเท่านั้นไม่เดินมากนะแล้อริยมรรคจะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดในฌานนะไม่เกิดมาข้างนอกนี้หรอกถึงเรานั่งฟังตาแปว๋วแปวอย่างสมัยพุทธกาลนั่งฟังพุทธเจ้าเทศนะนะ์ฟังดูดีๆแล้วนะบอกบรรลุ โซด า, 500าห้าร้อยองค์บรรลุพระอรหันห์้าร้อยองค์อะไรเนี่ยนะีย่ไม่มีใครเข้าฌานเลยแล้วบรรลุได้ยังไงในขณะที่จิตจะบรรลุเนี่ยจิตเข้าของจิตเองเข้าฌานเองนะในเวลาแวบเดียวเท่านั้นเองนะอย่าว่าแต่โซดาเลยนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะเคยเล่าให้ฟังนะว่าท่านนั่งเทศอยู่นั่งเทศอยู่แล้วก็อยู่ๆจิตหลวบปุ๊บลงไปเลยนะมันตัดหมดเลยเพราะจิตมันถอนออกมา จากสมาธินั้นแล้วเนะท่านรู้เลยว่ากิเลสหมดละกิเลสไม่โปรอีกแล้วนะแล้วท่านก็รีบนึกว่าไม่กี่เทศถึงไหนนึกออกด้วยสิพอนึกออกนะท่านเทศต่อเลยนะไม่ใช่หลวงพ่อนะนี่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกทีท่านล่าให้ฟังนะท่านบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นนะคงเป็นพวกไม่ส่งจิตออกนอกนะนะนั่งฟังเทศอย่างสัมรวมเลยไม่มีใครรู้ ถ้าเป็นเจอนักส่งจิตออกนอกเนี่ยมันจะรู้หมดเลยว่าจิต ท, ท่านรวมกันสว่างขึ้นมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลมันไม่รู้ตัวเองเท่านั้นแหลนะรู้แต่คนอื่นนะสแสดงว่าคนที่ฟังท่านเทศนะ์ใช้ได้ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะได้ฟังธรรมะนะไม่สะดุดเลยนะแค่ช่วงที่จิตใจท่านเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือช่วงที่เว้นหวักในการพูดเท่านั้นเอง โดยสิ่ ง, งที่เรางพ่อพูดผู้อยู่เป็นว่ากนานไหมนิดเดียวเองใช่ไหมใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะชีวิต จ, จิตใจัะเปลี่ยนไปหมดลเพราะฉะั้นมันจะเกิดขึ้นเองนะเพราะเราไม่ต้องตกใจว่าเราเข้าฌานไม่เป็นถึงเวลามันเข้าของมันเองนะในสมัยพุทธกาลในควรฟังเทศฟังปุ๊บก็ขาดนะได้โสดาสกต า, าคานาคาพระอรหันต์อะไรก็เป็นแถวแถวนะทั้งทั้งที่ยังนั่งลืมตาอยู่นะลืมตาแป๊บแปลย ในขณะลืมตาแป๋วๆนะั้นนะตาไม่เห็นนะตาไม่เห็นรูปนะ้ามาทำงานอยู่ข้างในนี้แนละ้วค่อคๆฝึกเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษกับเขาบ้างนะหลวงพ่อดูแนวโน้มพวกเรามาถึงวันนี้นะถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าใช้ได้เลยนะเกือบทั้งหมดนะนะจิตใจพวกเราเปลี่ยนนะเรารู้ตื่นเบิกบานเราแยกธาตแยกขันได้ บางคนก็เห็นรูปนามเกิดดับได้แต่ต้องดูให้มากพอนะจุดอ่อนของคราวาต์คือทำไม่ต่อเนื่องแล้วก็สมาธิไม่ค่อยจะพอเพราอนทุกวันทำในรูปแบบทาในรูปแบบทุกวันเพื่อเพิ่มพลังของสมาธิแล้วก็ดูมากที่สุดเท่าที่ดูได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดสลาเวลาช่วงนี้แหละของชีวิตลงทุนลงแรงปฏิบัต เรามักฝนให้ได้ถ้าเราชี้เกียรตตอนนี้นะต่อไปใจเรายิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะมันเคยชินที่จะอ่อนแอมันเคยชินที่จะเหลวไหลอดทนเอาหน่อยสักช่วงหนึ่งเหมือ น, นเหมือนเราเรียนหนังสือหละกว่าจะได้ปริญญามาสาักใบเราก็ต้องอดทนใช่ไหมอดทนเรียนจนจบแนละ้วมันก็สบายแล้วเอาไปทํามาหากินได้ดังนั้นอยู่ยที่ต้องอดทนเอานะคารวาสเนี่ยจุดอ่อนก็คือไม่ต่อนเนื่อง ทำบ้างหยุดบ้างข้ออ้างเยอะนะพ่อจะตายแม่ยายจะเกิดนะอะไรตอนอะไรกงลู้ว่นไปไปหมดเพราะฉะนั้นะนะตั้งใจทํานะจะได้ของดีอ้างสองกันบ้างกลับหลวงพประโมทด้วยความเคารพครับผมผมอยากทราบว่าเวลาเราปฏิบัตินะครับผมเราจะรู้ได้ไงบครับว่าเราเป็นวิปัสสนูปกิเลนครับมีอะไรที่เราเช็คได้บ้างครับสําหรับตัวเราครับผม มิปัสนูเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าตัวเองได้ธรรมะนะหรือดีไม่ไดีคิดว่าเป็นพระรหันเลยสังเกตรตรงนี้ว่าขนาดนั้นน่ยจิตถึงฐานหรือเปล่าถ้าจิตไม่ถึงฐานนะนั่นบอกบรบรลุนบปรลุนี่ไม่จริงหรอกอพ่างพวกมิปัสนูเนี่ยจิตจะออกนอกทั้งนั้นนะมิปัสนูปกิเลสมีศึกอย่างพระอนุนเนี่ยท่านเรียกวิปัสนูปกิเลนะในพระสูตรอันหนึ่ง ชือยุครานัตสูตรในยุครานัตสูตรเนี่ยพระนลนพูดเรื่องวิปัสสนู10ิบอย่างแต่ท่านใช้คําว่าธรรมมุทัจธรรมะอุทัจความฟุ้งซ่านในธรรมส10บประการนะั่นก็คือวิปัสสนู10ิบอย่างนั่นเองแล้วท่านก็สอนทางแก้ไว้ว่าถ้าจิตทรงสมาธินะถ้าสํานวนหลวาพ่อเพื่อจิตถึงฐานจริงๆแนละ้ววิปัสสนู10ิบอย่างก็หายหมดนั่นแหละนะถ้าจิตไม่เข้าฐานแล้วก็โดนมันหลอก แต่คนที่จะเกิดวิปัสสนูได้เนี่ยต้องเดินวิปัสนาแล้วนะมันเหมือนอย่างคนจะเกิด น, นิมิตอ่ะก็ต้องทําสมาธินะศัตรูของสมาธินิมิตเนี่ยหลอกนะส่วนศัตรูของวิปัสนาคืออิปัสสนูเนี่ยมันหลอกจิตตอนนี้ถึงฐานไหมแน่ใจนะ <c oughs> หลวงพ่อไม่เชื่อไปดูใหม่จิตมันมันจิตมันนิ่งจริงนะ จิตมันน่งจริงแต่ความรู้สึกตัวเนี้ยกระจายออกข้างนอกรู้สึกไหมลองหายใจหายใจความรู้สึกตัวกลับเข้ามาคิดเยอะไปหายใจไม่ใช่ให้คิดหายใจขนาดนี้จิตตอนนี้กับตะกี้ต่างกันกนึกออกไหมตจกีเนี้ยจิตมีธรรมวุ ธ, ธาจารล้วฟุ้งออกไปข้างนอกนะ โอกาสเกิดวิปัสสนูมีนะถ้าจิตถึงฐานเนี่ยหายหมดเลยวิปัสสนุอ่ะคนต่อไปกราบนมาส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะได้มีโอกาสมาส่งกันบ้านหลวงพ่อในช่วงเวลาหลายปีก็ประมาณสามครั้ ง, ค ร, งครั้งที่ครั้งที่สี่เจ้าค่ะมาแต่ละครั้งหลวงพ่อจะมีประโยคและคําที่ให้ไปปฏิบัติต่อคราวที่แล้วที่ได้ส่งหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเจริญเมตตาเจ้าค่ะแล้วก็ก็ได้ไปทำแล้วก็ มีโอกาสได้มาส่งอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเพิ่งรู้จักว่าใจที่เบาเป็นยังไงรู้สึกว่านึกถึงคนอื่นเป็นคือแต่ก่อนนี้แบบคิดว่าเห็นตัวเองอะเจ้าค่ะแต่จริงๆมันมีอะไรที่ฉาบคารวาเยอะมากเยอะจน<ม>เยอะมากเช่าคะ่ะคนทั่วท่วไปนะมันจะสร้างเปลือกมาห่อหุ้มตัวเองเอะไรนะเพื่ให้คนอื่นเขาดูดี นัปฏิบัติก็สร้างเปลือกสร้างมายาหรือสร้างภพของรักปฏิบัติขึ้นมาเอาไปวปเราก็ตัวเองก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นเราคิดว่าเนี่ปฏิบัติอยู่ที่จริงหลงอยู่นะอาศัยสติปัญญานะ ค, ค่อยๆเรียน ค, ค่อยๆสังเกตก ร, รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราหลอกลวงขึ้นมาสร้างขึ้นมานใจก็หลุดออกมาไปเรียนรู้อีกไปยังคิดเยอะไปขอบคุณมากค่คจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะมีความสุขปว่าตก่ณนเยอะเลย ก่อนนี้ขี้โมโหพุ๊บปั๊บปุ๊บปับปุ๊บับจากแล้วมรสการหลวงพ่อครับเมื่อสองปีที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ผมใจกล้าปล่อยมือเพราะตอนนั้นรู้เบาๆหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวไปอัดรูปทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่หลวงพ่อบอกแล้วเนี่ยเปิดเพลงฟังแล้วเห็นใจมันคลายออกพอเห็นใจมันคลายออกปั๊บตอนนั้นเลยรู้ทันทีว่าจริงๆแล้วเราจับอยู่ใช่ ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยสภาวะต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าครั้นี้เรารู้เราเห็นโดยที่เราโดยที่เราเห็นเห็นตามมันทันทีนี้เมื่อไหร่ที่มันจับเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันจับหลังจากนี้ก็คือกลายเป็นเหมือนกับคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราจับเราก็จะรู้ว่าเราจบับตอนสภาวะตอนนี้เป็นแบบนี้ครับใช่ได้ไปทำอีกไหมรู้อย่างที่มันเป็นน้ำถือจะรู้ของจริงมัสการหลวงพ่อค่ะ คือรู้สึกว่าไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยเท่าไหรนะ่ะยังปฏิบัติไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยสติยังไม่ค่อยมีแล้วก็สมาธิยังน้อยเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นโกรกเนี่ยเราก็รู้แต่มันรู้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็เหมือนไหลไปกับความโกรธอะไรเงี้ยต้องฝึกนะสมาธิไม่พอเม่อไหลค่ะมิธีฝึกให้เกิดสมาธิอันทํากรรมฐานไม่อันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆไม่ใช่ห้ามไหลนะ ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นั่นเวลาลงสนามจริงแล้วพอจิตไหลปุ๊บมันรู้ปับ๊บแม้นมันจะไหลา ย, ยาวตอนนี้ก็เหมือนปฏิบัติตามหลวงพ่อบอกว่าให้นั่งสมาธิวันสิบห้านาทีแต่ว่าก็จะเห็นแบบฟุ้งซ่านเต็มไปหมดไม่เป็นไรรู้สึกไหมว่าจิตมีกําลังมากขึ้นรูออกไหมแต่ว่ามันมันเหมือ น, นตั้งปุ๊บเนื้แล้วมันเหมือนมีความลังเลอะไรทุกอย่างแล้วก็เห็นความอยากที่มันจะไหลไปกับ หนนให้รู้ทันมัน <ฮะ S 2> สภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันเราวถ้าจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้รได้สมาธิขึ้นมาดีฝึกอีกกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกได้มาอนามัสการท่านลูกได้ฟังธรรมของท่านมาเป็นเวลาก็เป็นเวลาหลายปีแล้วก็ได้ปฏิบัติมา พอสมควรคิดว่ามีสติตัวจริงเกิดขึ้นสติตัวไม่จริงเกิดขึ้นก็ตามรู้ตามดูไปจนลูกเนี่ยเป็นคนถนัดจะดูกายและดูวัฒนานะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีความรู้สึกว่าดูตัวเองแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ใช่ตัวเองอแล้วก็มีความ ใจเต้นใจเต้นก็คิดว่าเกิดความกลัวใช่แล้วครังนี้ก็จะเกิดอีกพอเกิดอีกมีความรู้สึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งทำงานเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเห็นมือของตัวเองเนะี่ยเป็นมือของคนอื่นแล้วก็มีความตกใจกลัวทานที้ความตื่นเต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยๆให้รู้เอานะ ก็ตามรู้ตามดูเอาว่าออความตืนเต้นเกิดแล้วก็จะดับแต่ทีนี้ลูกอยากจะทราบว่าเวลาความเกิดเกิดดับในการเราจะต้องตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราดูปัจจุบันไปเรื่อยเรือกปัจจุบันเราคําว่าปัจจุบันเราไม่ตามไปไหนแล้วนะค่ะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันก็รู้ไปส่วนที่ไปเห็นความจริงแล้วมันตื่นเต้ น, ตนมันกลัวมันอะไรเนี่ยปเป็นเรื่องปกติถ้าเห็นบ่อยๆมันหายกลัว เหมรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นผีนะตอนแรกก็กลัวเห็นทุกวันทุกวันก็เลิกกลัวไปเองเลยตอนี้ลูกไม่ลูกนั่งสมาธิไม่เป็นใชค่ะเอาแค่ว่าเดินรู้สึกไกายใช่ค่ะในชีวิตประจํำวันพรอลูกจะต้องเดินทํา ง, งาน อ, อะไรต่ออะไรเราหวังอย่ากให้จิตติดนิ่งติดเฉยเหมือนขณะนี้นะตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหมก็ ล, ล็อกเอาไว้ตื่นเต้นแล้วค่อยตามรู้ว่าตื่นเต้นแต่ว่ารู้สึ ก, สกว่าวันนี้วันนี้ ง่วงนอนม า, จากจะค่ะง่วงนอนจริงๆเพราะว่ต้องตื่นเช้า่ากปกติไม่ได้ตื่นสช้าขนาดนี้<ม>ท่นนี้คือทางคําถามท่านคําแรกคําถามแรกก็คือถามไปแล้วว่าเราต้องค อ, ค, อคอยตามรู้ตามดูแล้วที่อยากจะทราบที่สุดคือตามที่การที่รู้ตามรู้ตามดูมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้นะคะถูกทางหรือยังคะก็ถูกนะแล้ว พอวันข้าหน้าเราเจริญขึ้นไปเลยเราจะพบว่าอี้ที่ทํามาผิดอีกแล้วจะเป็นปกติอย่างนั้นนะมันถูกไปตามลําดับไม่ต้องลังเลใจนะไม่ต้องตกใจถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าลูกไม่ทราบว่าอีกนานไหมจะมีโอกาสได้มากราบนมัสตานท่านอีกเพราะว่าลูกอยู่ต่างประเทศดูกายดูใจของเราลงปัจจุบันไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากขึ้นก็จะ จะตามรู้ความตื่นเต้นเข้าจะเกิดดับของเขาเห็นตื่นเต้นไม่เป็นไรอยาเข้าไปแทรกแซงตอนนี้<ช> เ, เข้าไปบังคับมันนะไปกดมันเมื่อเวลาเราไปกดเนี่ยมันจะอึดอัดขึ้นมาใช่ค่ะให้ให้ค่อยดูไปแต่แล้วจิตไม่ค่อยพัฒนาไปมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะจิตนะขอขอบคุณท่านมาเจ้าค่ะ กับน้มันสกัดคาร์ลองพ่อส่งการบ้านครั้งที่สองนะคะก็คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ใจถึงไปดูมันก็จะเห็นค่ะว่าตอนนี้เริ่มเห็นว่ากายเป็นทุกข์พอเห็นความบิดขั้นจากในชีวิตประจําวันของตัวเองว่าเราแก้ทุกอย่างหนึ่งมันก็ทุกอีกอย่างหนึ่ง<ม>ทีนี้พอมันยอมรับมากขึ้นเนี่ยคือก็เริ่มเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่ง แล้วก็พอเห็นมากๆเข้าก็จะเห็นสังขารการปรุงแต่งมันอยู่อีกส่วนหนึ่งพอใจยอมรับมากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการทํางานแต่ละตัวมันแยกกันถ้าเราไม่ยุ่งกับมันเนี่ยเราก็จะไม่ถูกแค่เห็นอย่างเดียวแต่ช่วงเนี้โยมจะรู้สึกว่าโยมจะเห็นสภาวะของตัวเองไม่ชัดไม่แน่ใจว่ายมทําถูกห็นไม่ชัดไม่ต้องตกใจเห็นไม่ชัดรู้ว่าไม่ชัดมัวรู้ว่ามัวอันนั้นเห็นถูกแล้วค่ะ ถ้าเห็นไม่ชัดอยากให้ชัดนี่ผิดแน่นอนสภาวะที่เห็นไม่ชัดนะมันก็จบในตัวของมันเองแล้วนะก็เป็นสภาวะอันหนึ่งคือมัวมัวอะไรเงี้ยหรือโมงรู้อย่างที่เขาเป็นไปไม่ต้องดีก็ได้ก็ก็จะเห็นไม่อย่างอย่างช่วงก่อนจะเห็นเวลาที่จิตไหลไหลปุ๊บจะรู้ตอนนี้จะมาเห็นตอนมันจะดาบอย่างเงี้ยคับอาจารย์มันอะไรนะ มันเห็น<ม>เห็นแล้วก็ดับแล้วอรเองะคะ่ะมันไม่เห็นตอนต้นทางละมันเหมือนมันไม่ฝึกชํานาญนะตัวดับจะเด่นนะค่ะตัวดับจะเด่นมิแตด่ดับดับดับดับไปเรื่อยๆค่ะไม่แปลกหรอกยังยังอยู่ในร่องในรอยนะคะพระฉานารยต้องเพิ่มเติมเลยคะ่ะให้ทำอีกไหมค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะธรรมศาสการค่ะ หลวงพ่อแนะนำให้ดูกายแล้วก็ดูอะไรได้ก็พยายามดูไปอะค่ะ<ช>ไม่ดีก็ได้ก็กจอนท่องๆ อ, อยู่อะค่ะแล้วก็ส่วนไปดูกระดูกก็ไม่ไม่รู้ทำยังไงก็พยายามทำความรู้สึกหรือไม่ก็จับของแข็งๆ<ช>ค่ะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลวงพ่อบอกแล้วไงเราไม่ได้ฝึกเอาดี<ช>นะเรารู้สึกตัวไปเห็นกายเห็นใจก็ทำงานไปเร<ช>ื่อยเนี่ยวนีาดีที่สุดแล้วละ รู้สึกหรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนไปรู้สึกว่าฟุ้งน้อยลง<ช>นิดนึงค<ช>่ะนั่นแหละสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วไปทำอีกนะ<ช>ดูกาเของเราไปนั่นแหละเดี๋ยวสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วก็มีคำถามหนึ่งค่ะคุณแม่สมอง เ, ออเสียหายไปมากแล้วก็คุณหมอบอกว่าโอกาสรอดโ อ, โอกาสน้อย ไม่ได้คุณหมอไม่ได้พูดว่าไม่มีโอกาสเลยอยากจะถามว่าจะมีแนวทางการรักษาต่อหรือยุติการรักษายังไงไม่ให้หนูไปทำร้ายคุณแม่และไม่ให้หนูเองมีบาปค่ะพูดยางนะพูดไม่ดีหลวงพ่อบาปด้วยดูสิยังบางคนจะถอดสายออกซิเจนอะไรอย่างนะี้นะจะถอดไม่ถอดถอดแล้วจะเป็น อะปีตุคาดมาตุคาดไหมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เจตนานะเจตนาต้องการให้ตายเนี่ยอันเนี้ยครบองค์ประกอบเลยนะแต่ถ้าไม่ได้เจตนาให้ตายมันทำได้เหมือนกันนะไม่ได้ตั้งใจให้เขาตายเห็นเขาทรมานมากถูกหมอรักษาทุกวันนะเฉือนโน่นเฉือนนี่ไปเรื่อยไม่มีทางรักษาไม่มีทางหายมีแต่ความเจ็บปวดเนี่ยระวังใจว่าไม่อยากให้เขาเจ็บปวด ไม่ใช่ว่าอยากให้เขาตายนะแต่ว่าไม่อยากให้เขาเจ็บปวดอยู่ที่การวางใจของเราต่างหากอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นตัวกําหนดกรรมถ้าเกิดร่างกายอยู่เองไม่ค่อยได้แล้วอาทิเช่นหายใจเองไม่ได้ อ, อย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็อยงช่วยหายใจนะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดอะไรพวกนี้ให้ได้นะให้ได้ แต่ว่ายาจะไม่ต้องให้เพราะไม่มีประโยชน์แล้ว mm. มันไม่มีทางหาย mm. ต้องดูว่าตัวอะไรที่ใช้อย่างชีพนะตัวอะไรที่ใช้รักษารักษาไม่ได้ก็มันต้องไปรักษามันสุดขีดแล้วทรมานเปล่าๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้กินน้ำไม่ให้อร น, นนะแกล้งให้ตายเร็วๆ เ, เจตนาให้ตายเร็วๆนั้นไม่ได้นะการนมัสการหลวงพ่อครับ อ, อทีแรกมีตั้งมีมีคําถาม ท, ที่ต้องการจะถามแต่ว่าพอได้ฟังหลวงพ่อเทศก็เข้าใจแล้วนี่ไม่ต้องถามครับหลวงพ่อแถมให้ก็แล้วกันขอบคุณนะอยากคิดเยอะมันใช้ความคิดเยอะไปนะแล้วเรารู้สึกเนาะใช้ความรู้สึกเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปได้ ไม่ต้องค้นกว่าอะไรหรหมดละวันนี้แตวันนี้หมดทัานี้นะครับเราก็ได้ฟังธรรมกันมาตามสมควรในช่วงสุดท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านกล่าวคำถวายทานในหลวงพ่อนะครับให้ทุกท่านน้อมจิตตามไปด้วยครับข้า <c oughs> พเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พ ร, าาระอาจารย์ประโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเชิญยัยถาวาริวะหาปุราปริภุเรนตีสากรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตาณังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังทุมหังกิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุรเรนตูสังคปา จันโทปนรโสยถาม่มีโชติรโยสยถาสพีติยวิวัฒชันตูสปาโรุโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโพภวอภิวาธนาศีลิสนิตจังวิทาป จ, จายัยโนจตารธรมาวัตันตีอายุวนโนสุขังพระลังสาธุ่านานะชีวิตจะได้ดี